ราธัสังยุตประมวลเรื่องพระราทะพระเถระรูปนี้บวชเมื่อแก่แต่เป็นพระที่เอื้อเฟื้อต่อศิษขาว่าง่ายราทัสสังยุตสิบสูตรสั้นๆเป็นปัญหาที่ทูลถามพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็เป็นพระธรรมเทศนาพระพุทธองค์แสดงแก่ท่านในโอกาสต่างๆขอนำมาแสดงเพียงสูตรเดียว มาราสูตรพระราธาทูลถามว่าที่เรียกว่ามารมา น, นั้นได้แก่อะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเวทนาสังขารวิญญาณมีมารจึงมีจงพิจารณาให้เห็นว่ารูปเป็นต้นนั้นเป็นมารเป็นความทุกข์เป็นตัวทุกข์พระเทระทูลถามต่อไปว่า ความเห็นชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรตรัสว่ามีประโยชน์ช่วยให้เบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายมีประโยชน์อะไรเพื่อให้คลายกำหนัดคลายกำหนัดมีประโยชน์อะไรเพื่อให้หลุดพ้นความหลุดพ้นมีประโยชน์อะไรเพื่อนิพพานนิพพานมีประโยชน์อะไรเมื่อราธะทูลถามถึงตอนนี้ พระพุทธองค์ตรัสปรามราทะว่าเธอเลยทงไปแล้วคือถามนอกขอบเขตหรือนอกประเด็นเธอไม่อาจกําหนดที่สุดของปัญหาได้คือถ้าถามอย่างนี้ก็ถามกันไม่รู้จบกุลบุตรประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเข้าถึงนิพพานนิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดของการประพฤติพรหมจรรย์ ทิฏฐิสังยุตประมวลเรื่องเกี่ยวกับขันห้าว่าแต่ละอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความเห็นว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงบ้างความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดบ้างโอกะกันตะสังยุตประมวลเรื่องผู้ก้าวพภูมิปุตุชน ก้าวลงสู่ภูมิสัพบริสชนที่ไม่กระทำกรรมเพื่อเข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยหรือนรกสังยุต์นี้มีสูตรสั้นๆพูดถึงศรัทธานุสารีบุคคลและธรรมานุสารีบุคคลได้แก่ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักอุ ป, ปาทะสังยุต ประมวลเรื่องความเกิดขึ้นแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจในความหมายทางธรรมแสดงว่าเมื่อใดเกิดตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นเมื่อนั้นกระบวนแห่งความทุกย่อมเป็นไปสังยุตนี้มีสูตรสั้นๆ ส, สิบสูตรเช่นเดียวกับโอกะกันตะสังยุตกิเลสะสังยุต ประมวลเรื่องกิเลสว่าด้วยความกำนัดยินดีที่เกิดขึ้นในใจเมื่อได้เห็นรูปที่น่าพอใจได้สัมผัสที่น่าพอใจได้สวยเวทนาที่น่าพอใจเป็นต้นมีทั้งหมดสิบสูตรสั้นๆสารีปุตตะสั่งยุตประมวลเรื่องพระสารีบุตรมีทั้งหมดสิสูตรสั้นๆ ส่วนมากเป็นเรื่องที่พระอนนท์ถามท่านว่าทำไมท่านมีสีหน้าผ่องใสนักท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรพระสารีบุตรตอบว่าเพิ่งออกจากการเข้าฌานระดับนั้นระดับนี้เป็นต้นมีสูตรที่น่าสนใจสูตรหนึ่งชื่อสุจิมุขีสูตรเป็นโกอานหรือปริศนาธรรม ขอยกมาเพื่อศึกษาดังนี้สุจิมุขีสูตรพระสาวริบุตรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชครึกในเช้าวันหนึ่งได้อาหารพอฉันแล้วก็นั่งฉันใกล้ข้างฝาแห่งหนึ่งปริภาชิกาชื่อสุจิมุขีเข้าไปหาท่านกล่าวว่าสมณนะท่านก้มหน้าฉันอาหารหรือเรามิได้ก้มหน้าฉัน พระเถระตอบถ้าอย่างนั้นท่านแหนหน้าฉันเรามิได้แหนหน้าฉันถ้าอย่างนั้นท่านก็มองดูทิศใหญ่ฉันเรามิได้มองดูทิศใหญ่ฉันถ้าอย่างนั้นก็มองดูทิศน้อยฉันเรามิได้มองดูทิศน้อยฉันสมณะถ้าอย่างนั้นท่านฉันอย่างไรเล่าพระเถระกล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่าใด เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพด้วยดีรัชานวิชาคือวิชาดูพื้นที่สมณพราหม์เหล่านั้นเรียกว่าก้มหน้าฉันพวกสมณพราหม์ที่เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพวิชาดูดาวนักสัตว์เรียกว่าแงนหน้าฉันพวกสมณพราหม์ที่เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพด้วยการรับส่งข่าวสารเรียกว่ามองดูทิศใหญ่ฉัน พวกสมณพราหมณ์ที่เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพด้วยดิรชานวิชาด้วยการทายอวัยวะเรียกว่ามองดูทิศน้อยฉันแต่เราไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพเหล่านั้นแสวงหาภิกษาโดยธรรมแล้วจึงฉันนาคสังยุตประมวลเรื่องนาคเล่าเรื่องนาคสี่ประเภท คือนาคที่เกิดจากไข่หนึ่งนาคที่เกิดจากเท่าไค่คือของโซโครกหนึ่งนาคที่เกิดในน้ำหนึ่งนาคที่เป็นอบปติกะหนึ่งเป็นการตอบคำถามของภิกษุที่กราบทูลถามสำหรับนาคที่แปลงเป็นมนุษย์มาขอบวชที่เล่าไว้ในพระวินัยปิดกคงเป็นนาคประเภทอบปติกะกระมัง สุปันนัสังยุตประมวลเรื่องครุตกล่าวถึงครุตสี่ประเภทตามคำทูลถามของภิกษุสาวกเช่นเดียวกันคันทภกายสังยุตประมวลเรื่องคนทันกล่าวกันว่าคนทันคือเทพที่สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ที่มีกลิ่นรากแก่นกระพีสะเก็ดใบดอกผลรส กล่นทรงเล่าให้พระสาวกฟังถึงสาเหตุที่มนุษย์บางจําพวกไปเกิดเป็นคนทานเหล่านั้นเวลาหกสังยุตประมวลเรื่องเมฆ ก, กล่าวถึงเทพเมฆหนาวเทพเมฆร้อนเทพเมฆหมอกเทพเมฆลมและเทพเมฆฝน วัชโคตสังยุตประมวลเรื่องวัชโคระบ ร, ริพาชคบริพาชคทูลถามปัญหาต่างๆเช่นความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดและสาเหตุที่ทำให้คนมีความเห็นเช่นนั้นสมาธิสังยุตประมวลเรื่องสมาธิต่อปัญหาของภิกษุเกี่ยวกับบุคคลสประเภท คือ 1. บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. บางคนฉลาดในการเข้าสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. บางคนฉลาดทั้งสองอย่างข้างต้น 4. บางคนไม่ฉลาดทั้งสองอย่างข้างต้น